ต่อจากนี้ไปไปก่การแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับศูนย์โดยพ่อท่านโพีิรักเมื่อวันที่7มีนาคม2542ที่พุทธสถานสันติอสศกขอเชิญทัติตารับฟังได้นะบัดนี้ ถ้าผู้ใดได้ไปงานปลุกเสกมาแล้วนี่คงจะกระอยกระริบไปเหลือน้อยในขมื่อเมื่อนี้ยังไม่มามาจากงานปลุกเสกยังมาไม่ได้หรือว่าไปงานปลุกเสกมาคราวนี้แล้วฟังมาโอโหจุกใจคราวนี้นี่ใครไม่ได้ไปนี่ขอบอกได้คําเดียวว่าหน้าเสียดายอ่า ใครไม่ได้ไปงานปลูกเสกคราวนี้นี่น่าเสียดายบอกได้คำเดียวว่าน่าเสียดายเพราะอะไรอัตมาก็คิดเหมือนกันอยู่ว่าจะเอาเรื่องนี้ขึ้นพูดก็คือเรื่องที่มันฮิตและมันฮอตอยู่ในสังคมขณะ น, นี้ในเรื่องาศาสนาที่ฮิตหรือฮอตอยู่ในสังคมขณะ น, นี้ก็คือเรื่องของนิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตา เท่าจมารบรรยายไปแล้วก็ยังไม่ทะลุยังไม่โอ้โหกระจักระจางยังไม่มีน้ำหนักอะไระยังมีรายละเอียดมีหลักฐานอะไรๆชัดเท่าเลยคราวนี้เราอธิบายกันบรรยายกันนิพพานเป็นอัตราหรืออนัตตานี่ได้จกนกระทั่งมีสูตรสมการออกมาเลยถึงขั้นศูนย์บวกศูนเท่ากับศูนถึงขั้นนี้เลยนะมีสมการเด็ดเลยนะ ก่อนจะถึงธรรมการเด่นนี่มันมาคำว่าอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับอนัตตาแล้วอาตมาก็สรุปเลยเพราะฉะนั้นศูนย์บวกศูนย์ก็เท่ากับศูนย์เพราะอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับอนัตตาเสร็จแล้วนักคณิตศาสตร์มาเจอข้าบอกเฮ้ผิดนี่อนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับอนัตตาผิด มันต้องอนัตตาบวกอนัตตามันต้องสองอนัตตาสิน่าโอโหถูกของเขาเหมือนกันนี่โอโหนักคณิตศาสตร์มันมองเข้าอนัตตาบวกอนัตตามันก็ต้องเท่ากับสองอนัตตาสิโอโหแมอัตมาเกือบแก้ไม่ตกคณิตศาสตร์ข้อนี้เกือบแก้ไม่ตกแต่พอดีเป็นโพธิรักเข้อนิดเดียว เลยแก้ตกว่าอ้าวอนัตตนี่เรามีพลความเรามีอธิบายกันมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วตั้งแยะแล้วว่าอนัตตาเพราะว่าอนัตตาเท่ากับสุญญตาอ่านัตตาเท่ากับสุญญตาเพราะฉะนั้นสุญญตาก็เท่ากับศูนย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแทนค่าอนัตตาเท่ากับสุญญตาเพราะว่าอนัตตาเท่ากับสุญญตาอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับอรัตตาเพราะว่า อนัตตาเท่ากับสุญญตาเพราะฉะนั้นมันก็เท่ากับศูนย์บวกศูนก็เท่ากับศูนย์ตกลงกับ น, นักคณิตศาสตร์ก็ต้องจบเพราะศูนบวศูนย์มันเท่ากับสองศไม่ได้หรอกศูนย์บวกศูนย์เท่ากับสองศไม่ได้จบเหมือนกันนะก็โอเคเหมือนกันนี่ก็เป็นเพียงพยัญชนะเป็นเพียงภาษาเท่านั้นว่าอนัตตาบวกอนัตตาเท่ากับอนัตตา หรือศูนวกศเท่ากับศมันเป็นพยัญชนะเป็นสูตรเท่านั้นเองเมืันก็สูตรอีเท่ากับเอ็มาลั square, งสองแควรนี้เป็นต้นมันก็เท่ากับศูนยเท่านั้นแต่เนื้อหาเราได้อธิบายกันมาโอ้โหอาตมามาอธิบายตอนนี้คงไม่เหมือนแล้วนะต้องติดตามอาตมาจะเก็บมาเขียนเพิ่มเติมนี่ต้องมาเขียนหนังสือต้องมาทบทวนอีกละต้องมาเขียนอาตมาเขียนไปแล้วนะมาตอนนี้มาได้รายละเอียดพวกนี้อีก ต้องเอามาเขียนใส่เข้าไปอย่างให้ชัดเจนนะในเนื้อหาาะมาได้อธิบายให้ฟังบ้างบางบ้างมาแล้วที่เคยอธิบายว่าเรื่องของคนเราเนี่ยถ้าเผราอว่าไม่มีสภาวะมีแต่ความคิดเนี่ยมันก็คิดได้อะไรแต่อไรคิดแล้วก็คิดดูจริงจริงเหมือนกันนะนะเช่นพอฟังพระพุทธเจ้าสันตรัสว่าสัพเพธรมานตตาทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีตัวตนอนัตตาไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนท่านบอกอะไรก็ไม่มีตัวตนนี่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ล้วนไม่มีตัวตนแม้แต่สังคต ธ, ธ, ธรรมธรรมะที่ปรุงที่แต่งไปสุดท้ายมันก็ไม่มีตัวตนใครก็คิดได้ด่เาเอาก็ได้ต้ <c oughs> นเสาต้นนี้เนี่มันเดี๋ยวก็ไม่มีตัวตน แต่เอ็ดเดี่ยวนี่นานเท่าไหรไม่รู้เดี๋ยวนี่กี่เวลาไม่รู้แต่แน่นอนเลยใครก็ดาได้ว่ามันไม่อยู่อย่างนี้นี่รันดอนแน่ไม่อยู่นิรันดรสักวันหนึ่งมันก็ต้องสลายแตกแยกตัวตนโตตีเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมันนี้ไปอะไรก็แล้วแต่แม้เป็นรูปประทับเป็นวัตถุ ก, ก็ตามนามมาทําก็ตามเกาะกลุ่มเกาะกลุ่มกันเข้าเก็กลุมอยู่ยึดมั่นกันอยู่ก็ตามสุดท้ายมันก็ต้อง แยกกันไปหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้คุณไปยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนสุดท้ายเมื่อได้ฟังว่าสัพเพธรรมะอนัตตามันก็ต้องศูนย์เหมือนกันหมดคนคิดได้ดังนี้แล้วก็เลยบอกอ้าเราเพราะงั้นเราไม่ต้องไปทําอะไรหรอกเพราะต่อไปในอนาคตเราจะยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนมันก็อนัตตามันก็ศูนย์เองแหละอันนี้สิอันนี้สิมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ศูนย์เองไม่ได้ศูนย์เองไม่ได้ยิ่งในศาสนาที่มีพระเจ้าหรือมีอาตมันมีที่จริงอาตมันเป็นภาษาสันสกฤตมันก็คืออัตตานั่นแหละอาตมันมเป็นภาษาสันสกฤตเขาใช้อาตมันใช้ศัพท์คําว่าอาตมันถ้าเป็นบาลีก็ใช้ศัพท์คําว่าอัตตามันตัวเดียวกันคือตัวตน อาจารย์เน้นคํานี้ไปเข้าหาภาษาไทยเลยนะไทยแท้ๆกูอัตานี่คือกู้อาตมานี่คือกูกู้แต่ใช้คำว่าตัวก็คือตัวกูตูกูกูตัวกูกูมันลึกๆก็ไปเป็นกู้เลยนะคราวนี้อามาได้ยกตัวอย่างกูตัวนี้ก็คือว่าลองลองคํานึงตามดูอาจยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเช่นรสอร่อยอามารยอร่อย เราไปอร่อยกันแล้วแต่อะไรก็เป็นสุกเลยเกินแม่ได้เสพรสอร่อยอันนี้แล้วนี่นะได้เสพรสอร่อยอันนี้มันสุก จ, จริงมันเป็นมันเป็นราวสุกกูนี่แหละสุกสุกเลยเกินมันจริงเลยเกินมันเป็นตัวเราจริงๆเลยนะแล้วเรามาปฏิบัติธรรมเราจะรู้เลยว่าเอพยายามลดแล้วนะลดเท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ยังอร่อยมันก็ยัง ชื่นใจมันก็ยังสุกอยู่นะทำไมมันไม่ออกจากกูไปสักทีเลยอร่อยมันไม่หายไปสักทีหนึ่งถ้าเสพได้เหตุผลเหตุปัจจัยนั้นแล้วนะแหมอันนี้เรามับเข้าไปเมื่อไหร่มันก็ใหญ่นะมันมันไม่ไมันปฏิเสธไม่ได้แล้วมันเป็นเป็นรสชาติที่เราเราเคยก็อร่อย จะเป็นความสุขในเรื่องอื่นใดก็แล้วแต่ในเรื่องชื่นชอบชื่นชมความสวยเป็นสุขได้สวยอันนี้ได้หอมอันนี้โอ้ชื่นใจได้เสียงไพเราะอันนี้ก็เพื่อชื่นใจมันยินดีมันติดติ ด, ตดมันเสพรสคุณต้องรู้สึกคำว่าเสพรสคำว่าเสพรสนี่แหละมันเราเสพอยู่เราติดอยู่เราอร่อยอยู่หรือเราชื่นชอบอยู่ เราเป็นสุขอยู่มันเป็นสภาพอย่างนั้นคงนึกออกกันทุกคนนะนะปฏิบัติมาแล้วเราจะรู้ว่าเราหัดแล้วนะเราฝึกแล้วนะโอ้โหมันไม่ลดมันยังเป็นเรานั่นาจจะเห็นได้ว่านี่ยคือมันเป็นเรามันยังเป็นตัวกูอยู่บางคนปฏิบัติไปแล้วลดลงจางคลายลงบางอันอันนี้แหละเหตุปัจจัยนี้แหละอัตมายกตัวอย่างพริกอัตมาติดพริก ติดรสของพริกรสเผ็ดอัตมายกตัวอย่างตัวเองว่าอัตมาติดรสพริกเพราะอัตมาเป็นคนอีสานเนกินพริกติดรสอร่อยอันนี้นะโอ้มันอร่อยเราจะจําได้อยู่ว่าเคยอร่อยเนี่ยอร่อยมันเป็นอย่างเงี้ยมันอชื่นใจโอ้เสพติดถ้าเผื่อว่าสัมผัสเมื่อไหร่มันก็ดูดีมันก็ชื่ใจเหมือนั้นอ่าแม้มันจะเผ็ดมากหน่อยก็ยังทนได้เพราะชอบเพราะอร่อย แต่เดี๋ยวนี้โอ้โหมันไม่ได้แต่ก่อนนี่เคี้ยวพริกกินูดน่เฉยเลยนะเม็ดเตมเม็ดนี่เคี้ยวเฉยเลยมันเผ็ดๆอยนะ่างนั้นแต่มันก็แห่แซบอร่อยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเคี้ยวแสบร้อนแซบจริงๆมันไม่ไหวจริงๆเลยมันแล้วก็ความอดทนก็ทนไม่ได้ด้วยทนไม่ได้ทนพิษอย่างนั้นไม่ได้ด้วย มันเผ็ดนะคนอื่นก็นึกของตัวเองแล้วกันยิ่งคุณติดพริกรู้ว่าชอบพริกแล้วก็ได้รถละมาเหมือนอาตมาเออแต่ก่อนนี้อร่อยมากมากนะเดี๋ยวนี้มันก็อร่อยลดไปหน่อยแต่มันยังเหลืออยู่บ้างก่ของใครของมันถ้าใครเห็นว่าโอ้มันหมดเลยไม่มีแล้วอย่างอาตมานี่บอกได้เลยว่าอาตมาไม่มีแล้วรถพริกเนี่ยมันแสบจริงๆแต่ตัวเองก็หัดอยู่ทุกวันนี้ก็ฝึก ฝึกกินให้ได้บ้างเพราะว่าเรามันปฏิเสธไม่ได้บางทีมันติดมาบางทีคนเขาไม่รู้เขาก็ทํามาถวายมันมีอะไรใจมามันก็ประเดี๋ยวมันจะโอ้โหไม่ไหวเลยปฏิกริยามันจะแย่เซลล์ประสาทเรายิ่งฝึกด้วยไม่ไม่ฝึกวางไม่ไม่ฝึกไม่ฝึกรับไม่ฝึกตั้งใจรับบ้างมาเดียวมันก็จะไปกันใหญ่ก็เลยฝึกบ้างแต่ก็กินไม่ได้จริงจริงกินไม่ได้มากก็ต้องทนเอา ถ้าเจอพริกเมื่อไหร่ก็ต้องทนพยายามทนพยายามเคีย้ยวพยายามซ้อมซ้อมกินบ้างเพราะมันก็มีประโยชน์บ้างนิดหน่อยไม่ใช่ว่าพริกมันไม่มีธาตุที่มีประโยชน์มันมีธาตุมีประโยชน์บ้างเหมือนกันแต่ก็ฝึกกินบ้าง <c oughs> แต่อย่างที่ไม่ต้องฝึกเลยฮัตดูดบุรีอย่างนี้มันมีประโยชน์ไหมในดูบุรีครับนี่ไหมไม่มีแล้วเขาว่ามีเหมือนกันนะเนะท่นนิดนิดหน่อยหน่อยมันอาจจะมีบ้าง คขายเครียดเหรอไอเนี่ยมันจิตวิญญาณถ้าจิตวิญญาณไม่ต้องบําบัดหรอกคลายเครียดนี่ไม่ต้องบำบัดจิตวิญญาณแต่สุบุรีเนี่ยมันมีธาตุอะธาตุของบุรีเนี่ยมันมีธาตุอะไรบ้างเกาแล้วแต่นะมีธาตุบุรีธาตุนิโคตินน่ะดิธาตุอะไรอื่นที่มันจะมีบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะมันอาจจะพอเป็นประโยชน์ก็ได้ก็แล้วแต่เถอะถ้ามันน้อยนะถ้ามันมากมันก็ทําโทษแน่นอนเลยแล้วส่วนส่วนมากมัน สูบไม่สูบน้อยนี่สูบเขาหนักๆเข้าโอ้โหวันหนึ่งหลายสองเขายิ่งหนักเขาใหญ่นะครับมันก็เสียหายแน่เอาละเดี๋ยวจะขยายความไปเดี๋ยวมันจะยืดย่าดมากไปนะก็สรุปมาตรงที่ว่าเราบอกเรียนรู้อัตตากันอัตมาแยกอัตตาสามที่ก็คืออธิบายสู่ฟังแล้วโอราธิกอัตตามโนโมยอัตตาหรือว่าอารูปรอัตตาเนี่ยพอไปถึงการอรูปรอัตตาแล้วนี่เยอะอรูป ไอ้อรูปนี่าะมันรู้ไม่ได้ง่ายถ้ามันต่อเนื่องกับของอยหยาบเนี่ยบ้านเราเรือนเราเพชรพลอยเราของเรามันเป็นตัวรู้ประทับข้างนอกเลยใครก็คงไม่มีเอาบ้านเขาไปยัดเข้าไปในวิญญาณได้ใช่ไหมมันเอาเข้าไปเข้าไปไม่ได้เอาแผ่นดินไปยัดเข้าไปเป็นยมวิญญาณในจิตเข้าไปยัดเข้าไปได้ยังไงแต่มันเชื่อมโยงกันมาแล้วมันไม่ใชเป็นเราเหลือเกินของเราเหลือเกินแล้วก็ดึงดันไม่พลากไม่จาก ขนาดตายจากแล้วยังห่วงห่วงเนี่ยเป็นตน้นลูกเราถ้าพบรูปเราล้านเราพ่อเราแม่เราเนี่ห่วงห่วงนี่ชัดขึ้นใช่ไหมทันทีที่เอาตัวพ่อแม่ยัดเข้าไปในวิญญาณเป็นเราเลยมันไม่ได้ล่ะตัวใครก็ตัวใครใช่ไหมอยู่ข้างนอกตัวตนมันอยู่ข้างนอกจะเอาตัวตนยัดเข้าไปเป็นตัวเราในวิญญาณมันไม่ได้แต่มันมีซ้อนเป็นอัตตามันเป็นเรามันเป็นตัวเรามันเป็นเหมือนเรา อ่ะพ่อแม่พี่น้องก็ยังยังยังยังเข้าใจไดม้มากขึ้นว่าเรารากเราห่วงเราหวงถ้าพลากกันโอ้มันยิ่งกว่าเงินทองยิ่งกว่าบ้านช่องเรือนชาญเพชรนินจินดาอ่าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานนี่ยมันออืมันเหมือนเราเจ็บปวดตายเหมือนพลาดมันจากเหมืนหาเหมือนเราหายไปเหมือนส่วนหนึ่งของเราหายไปกว่าใช่หไหมมันมากกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะ เพราะฉะนั้นอะไรที่เราไปยึดมากในอะไรก็แล้วแต่ก็อันนั้นแหละมันเป็นเราเพราะถ้าเราไม่เข้าใจอันนี้ละคืออัตตาเราจะบอกว่าตาไม่มีอย่างที่พูดไปแล้วว่าสเพธมาอนาตาทุกอย่างไม่เป็นตัวตนในเหตุผลก็ใช่มันต้องจากกันมันต้องพรากกันมันต้องไม่มีแน่นอนมันต้องสลายทุกสิ่งแน่ แต่กิเลสหรือตัวยึดเนี่ยถ้าไม่เข้าใจด้วยปัญญาแล้วเข้าใจแล้วขนาดพวกคุณเข้าใจแล้วนี่นะมาฟังมารู้แล้วมันไม่ใช่เราขนาดนี้ยังบอกเนี่ยเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรามันก็ยังบอกไม่ใช่เราเมื่อไรสัมผัสเ ม, มื่อไรก็มันรู้สึกว่าเราอยู่นะเนี่ยยิกเมื่อไรก็เราเจ็บอยู่นะเนี่ยนีจะมาขอไปเนี่ยนายขอไนชิ่ทักท่อนนี้เอาท่อนนี้ไปมันก็ยังเอ้มันต้องคิดนานนะ ถ้าให้เพื่อเสียสละเพื่อประเทศชาติเพื่ออะไรบางทีก็อาจจะบอกว่ า, าตัดใจสู้แลกแต่ว่ามันก็เราอะมันก็เราอยู่นั่นแหละอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมเพราะงั้นเนื้อหนังมังสาเป็นเราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรามากระตั้งถึงยึดคำว่ายึดนี่คืออุปทานยึดรูปนามขันห้ายึดรูปกายร่างรูปนามเมทนาสัญญาสังขารวิ ญ, ญญาณ เป็นเราไอ้รูปเนี่ยขนาดบอกว่าเนื้อตัวรูปธรรมเนี่ยเรายังบอกว่าเป็นไม่ใช่เรามันก็ยังยากเลยยิ่งเนียนก็ไปถึงเวทนาความรู้สึกว่าไม่ใช่เราก็รู้สึกว่าอร่อยมันก็เราทุกทีเอรู้สึกอร่อยมันก็เราทุกทีโดยเฉพาะเมื่อมันโกรธมันก็รู้สึกว่าเราโกรธแล้วใครโกรธล่ะก็เราโกรธแล้วบอกไม่ใช่เราได้ไง ใช่ไหมแต่เอาออกง่ายไหมรู้แล้วละ่ะไม่ใช่เราโกรธมันไม่ใช่กูมันโกรธมันไม่ใช่กูรู้แล้วละ่ะท่านบอกว่าเวทนาอาการโกรธอาการโกรธมันเป็นกิเลสที่มาแทรกอยู่ในที่จริงมันปรุงนะมันไม่ใช่ตัวจริงของตัวจิตวิ ญ, ญญาณมันเป็นตัวโกรธเข้ามาสังเคราะห์เข้ามาสังขารเข้ามาปรุงกับจิต ให้มีอารมณ์อย่างนั้นอารมณ์โกรธแล้วก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์โกรธแลวเป็นทุกข์ใครโกรธเป็นสุกกะมาโซคิสไปเห อ, อะนะการคือว่าตัวเองโกรธแล้วมันมันดีอันนี้มาโซคิสมันต่างกับาดีสิตรงที่ให้คนอื่นทุกข์แล้วเราชอบอ น, นี้ตัวเองทุกข์ตัวเองเจ็บปวดชอบมาโซคิสมันเป็นเรา มันเป็นอุปทานยึดเป็นเราเพราะมันไปนปรุงกันนั่นเนียนสนิทเลยไอ้จะตัวโกรธมันไปนปรุงเหมือนกับเป็นตัวเราเองโกรธเหมือนตัวเราเองโกรธความจริงมันไม่ใช่อัตตามันไม่ใช่ตัวกู้กิเลสมันไม่ใช่ตัวกู้มันไม่ใช่กู้ใช่ไหมเชื่อไม่เชื่อไปล้างมาดูสิทำลายให้มันหายให้มันตายออกไปจากจิตของเราเองดูสิจน กิเลสตัวโกรธนี่อาการโกรธนี่เราเป็นเราทํามันหายไปได้ถูกกระทบสัมผัสเมื่อใดมันปรับไม่เอาไม่เป็นไม่ให้มันมีอาการนั้นปรับมันเรื่อยทั้งให้ทั้งสามารถมีแรงเท่าไหร่ก็ปรับไม่เอาไม่ให้มันเป็นอาการนั้นปรับมาให้อาการว่างสบายไม่ต้องโกรธแล้วก็หาเหตุผลนมันหาหลักฐานนมันไม่โกรดนี่แหละมันดีกว่าไม่โกรธนี่แหละบริสุทธิ์ใจไม่โกรดนี่แหละเบาว่างสุขไม่โกรธนี่แหละ จะทําอะไรได้ไม่บา้บาบา้าบบอไอโกรธแล้วเดี๋ยวจะทำบา้บาบา้บาบบอทำอะไรแต่อะไรไปเรื่อยไปตามใจตัวเองตามอารมณ์ตัวเองไปอีกเยอะแยะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราหยุดให้ได้เหตุผลหลักฐานความจริงเมื่อเราหัดเราฝึกแล้วว่าถ้าตอนไหนที่เราทําได้เออตอนนี้โกรธแล้วหัดได้ตอนนี้หายโกรธแล้วเออตอนหายโกรธนั้นเราก็เคยจําได้วตรวจสอบมันไว้ด้วยเมื่ออาการหายโกรธออกจากจิตแล้วจิตเป็นยังไง ว่างสบายบอกเออเอานั้นออกมาเป็นหลักฐานของจริงมาทดแทนตัวเราเองฝึกเสมอแล้วก็เอาหลักฐานความจริงเหล่านี้มาไล่เรียงมาเสมอเราก็จะมีเหตุผลมีหลักฐานอ้างองิงให้ตัวขี้โกรธตัวนั้นตัวโกรธตัวนั้นตัวอาการนั้นนั้นมันก็จะค่อยๆเบาบางเบาบางจนกระทั่งมันหายไปไม่เกิดในจิตเราอีกอมันจะเกิดหายไปแล้วพราะมันหายไปเราถึงรู้ความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรามันหายไปแล้ว มันตายไปแล้วตายไม่เกิดอีกเลยตายเรียกว่าเที่ยงเลยนะตายอย่างถาวรเลยตายอย่างเที่ยงไม่เกิดอีกเลยเพราะฉะนั้นอัตตาคือความไม่มีอาการโกรธนี้ในจิตเราแล้วเราอธิบายเวทนา108เราอธิบายถึงเวทนา108ไปจนกระทั่งตั้งแต่เวทนา แยกมาตั้งแต่สุขแต่ทุกมาเวทนาสองเวทนาทางกายเวทนาทางจิตกายเวทนากายยะเวทนาจิตตะเวทนาอย่างสองอะไรเราก็คงรู้กายมันก็ต่อเนื่องไปจากกายไปเป็นความรู้สึกนะเป็นความรู้สึกเป็นเวทนากับไม่ต้องอาศัยกายมันรู้สึกเองทางใจเลยว่าจิตเวทนาแยกให้ออกอย่างหยาบสองขั้วมีความเกี่ยวพันกับกายจึงเรียกว่ากายเวทนา รู้สึกจากกลายเป็นเหตุเป็นปัจจัยร่วมส่วนจิตเวทนาไม่ต้องอาศัยกายเลยเพราะเวทนารู้สึกมันเองในใจปรุงเองบ่าเองอะไรเองก็แล้วแต่เถอะนั่นเรื่องจิตเวทนาแยกเป็นเวทนาสามนี่เป็นเวทนาหลักแล้วตอนนี้ชักจะมีลีลาแล้วสุขกเวทนาทุกขกเวทนาอัตุกรรมาสุขหรืออุเบกขาเวทน า, นาชักมีแล้วมันเป็นอย่างไรลักษณะต้องเรียนจริงๆเลยเรียนรู้ว่าสุ ข, ขเวทนานี่หลอกความจริงสุขไม่มีจริง ศาสนาพระเจ้าถึงไม่ตรัสรู้สุขตรัสรู้ทุกเบ็ดอริยสัจสุขนี่มันสุขหลอกสุขลวงสุขคลิกะสุขอาตมาเคยใช้สุขสุขตอนแหล่จะพูดมานานแล้วมันสุขตอนแหล่ไม่ใช่สุขจริงมันสุขหลอกมันสุขมันไม่มันไม่ถาวรหรอกเรียนรู้จริงๆเลยว่ามันมาจากเหตุเหตุที่หลอกกิเลสตัณหาอุปทานนี่มันหลอก เวทนา3สุขทุกทุกกรมสุขเวทนา5ไม่มีน้ำหนักอินทรีย์สุขกินซีทุกขินซีสมมนัตสินซีโทมนัตสินซีอุเบกินซีเป็นอินทรีย์เป็นน้ำหนักกำลังความเป็นใหญ่ในตัวมันมีความเป็นใหญ่ของสุขความเป็นเนื้อหาของสุขความเป็นเนื้อหาของทุก มันมีเนื้อเท่าไหร่ล่ะมีเนื้อทุกมากๆมันก็รู้ว่าโอ้ยทุกหนักทุกมากมีเนื้อทุกเนื้อมีเนื้อของเหตุทุกมากเพราะมีเนื้อของตัณหามากมีอินทรีย์ของตัณหามากมีเนื้อของกิเลสมากมีเนื้อของอุปทานมากก็เนื้อของอุปทานของคุณมากๆมันออกมาทํางานมากๆคุณก็ทุกมากกับมันแน่ ถ้ามีเนื้อของโลกุตระลดกิเลสได้เรื่อยๆลดตัณหาได้เรื่อยๆลดอุปาทานได้เรื่อยๆเนื้อของกิเลสตัณหาอุปาทานน้อยลงน้อยลงน้อยลงคุณก็เข้าไปหาความเบาความว่างความง่ายความไม่มีสุขกลวงไม่ต้องมีสุขกลวงเพราะไม่มีเหตุแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์นี่ถือว่าแท้นะแต่สุกในกลายว่าลวงเหตุแห่งทุกข์นี่ถือว่าแท้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่าอนนี้แทอริยสัจ สัจจะเลยเป็นสัจจะของผู้ประเสริฐที่จะต้องรู้เหตุตัวนี้และตัวนี้เพราะศาสนาพุทธจึงศึกษาอริยสัจทุกอริยสัจสมุทยัยอริยสัจนิโรธอริยสัจดับเหตุแห่งทุกข์เป็นความจริงอย่างประเสริฐเลยอริยสัจจนกระทั่งถึงทุกนิโธคามินีปฏิปทามีวิธีมีทางดําเนินทางประพฤติเพื่อให้ออกจากทุกนี้อ่า อันนี้แท้จะอสุขนี่ลวงเราเลิกทุกเพราะดับเหตุแห่งทุกได้อย่างแท้จริงสุขหลวงหายไปจึงมีจะเรียกว่าสุขมันก็พระพุทธเจ้าไม่เรียกสุขว่าแท้แล้วจึงเรียกว่ามันว่างจากทุกมันเบาจากทุกมันเฉยถ้าดับเหตุแห่งทุกได้สนิทมันเฉยเฉยมันอุบเบกขามันไม่ทุกไม่ไม่สุขไม่ทุก มันเฉยๆแม่เฉยๆในชื่อพ่อธรรมานะเรียกบ่อยๆจริงนะมันเฉยๆมันว่างๆมันโปร่งๆมันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขอย่างนี้จะอนุโลมเอาภาษามาเรียกว่าสุขวูปโสมโอสุขหรือโลกุตระสุขก็เอาภาษาคอยยืมมาจากโลกมาเรียกเท่านั้นเองจริงๆมันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ทุกอย่างโลกีอ่ะทีนี้มันปนตรงนี้แหละคำ ว, ว่าปฏิบัติธรรมเนี่ย อนิพานนางประมังสุขขังทึงได้เถียงกันแทบตายนี่ยเอาแล้วมีใครไปรับสุขล่ะมันสุขอย่างยิ่งนะประมังสุขขังนะสุขอย่างยิ่งถ้าบอกว่านิพานสูญไปหมดเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีพภพไม่มีชาติไม่มีใครรองรับแล้วทําไปทําไมอ่ะใครไปรับสุขก่ะ <Yes, S 1> ขเขาก็ว่าอย่างนั้นเออมันก็จริงเหมือนกันนะคุณไปรับสุขก็จริงอยู่คุณไปรับอ่ะคุณก็ยังมีตัวตนไปรับสิขเขาก็เลยขาก็เลยบอกว่าก็มีตาสิ นิ่พานเป็นอัตานานไปโน่นเลยวนหน้าดูเลยศาสนามีอัตาก็เอาวกะว่ากันไปเนี่ยในรายละเอียดเขาไม่รู้เรื่องเราเขารับไม่ได้เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแต่ของพระพุทธเจ้านั้นเอาตัวเอาตรงนี้เอาตัวเนี้ยเป็นๆนิพานเป็นอัตนิพานเฮอนิพานเป็นอัตตาเป็น นั่นแหละยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่มีวมัม่พ้นวาตสวงสารถ้านิพานเป็นอัตตาเขาก็อธิบายไปว่านิพานเป็นอัตตามีพบมีเมืองแล้วก็ไปอยู่กับโอ้โหในที่ตรงนั้นมีพระ พ, พุทธเจ้าคักเลยว่างั้นเถอะพระอาหารหันต์ตายก็ไปคักนั่นเลยมันก็เป็นศาสนาเดียวกันกับศาสนาที่ต้องมีเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมืองพระเจ้าเมืองเทวดาอาหารหันต์หรือว่าพระเจ้าหรือพระพุทธเจ้าอยู่ที่นั่นหมดเลย ก็เป็นเมืองของพระเจ้าอยู่มันก็เป็นอันเดียวกันกันกบเทวานิยมศาสนาที่มีพระเจ้าคุณตายแล้วคุณทำเหมือนอย่างพระเจ้าคุณสร้างตัวเองให้เป็นคนมีคุณงามความดีแม้จะอธิบายว่าล้างกิเลสก็ตามจะ จ, จบแล้วคุณตายสุดยอดเป็นอรหันต์แล้วถึงขนาดเป็นอรหันต์แล้วหรือเป็นพระพุทธเจ้าด้วยไม่ใช่อรหันต์ธรรมดาตายเสร็จคุณก็ไปอยู่ที่นั่นก็แสดงว่าอันนี้เรามีภพมีภ พ, ม, พมีแดน นอกจากมีพระมีแดแล้วยังมีตัวตนยางอ น, นิรันดรยังอยู่ที่นั่นศาสนานี้ก็เป็นศาสนาเทวนิยมมีภพชาติมีเมืองสวรรค์ใหญ่มีปรมาตมัจิตวิญญาณของผู้ขึ้นสวรรค์ไปอยู่ด้วยกันหมดที่นนเลยก็เป็นศาสนาเดียวกันกับศาสนาเทวนิยมและหลักการของศาสนาพุทธกับศาสนาเทวนิยมนั้นคนละขั้ว ศาสนาพุทธอเดอิซึมนะอเดอิซึอเทวนิยมส่วนศาสนาที่มีพระเจ้านั้นคือเดอิซึมเทวนิยมมันทำลายทาลายรากเง้าของศาสนาตรงนี้แหละเนี่ยตรงที่สัจจะตัวสําคัญที่สุดที่พระเจ้าท่าประกาศศาสนาประกาศต่างกันตรงนี้แท้ อาตมาได้อธิบายถึงประวัติเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มาหนังสือจะเขียนไว้แต่อธิบายเพราะเคยอธิบายเพราะเราฟังเหมือนกันพระพุทธเจ้าในเกิดมาในท่ามกลางศาสนาที่มีพระเจ้ามีอาตมันเป็นเดย์ซึมเทวานิยมเต็มไม่หมดเลยไม่มีใครมีศาสนาเทวานิยมหรอกไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดมาท่ามกลางศาสนาที่ก็มีเทวานิยมหมดเลยในยุคนั้นพระพุทธเจ้าก็ต้องมาสู้ เพราะมันคนว่คั่วกันแล้วท่านไม่ไม่ไม่ไม่ไม่รับท่านปฏิเสธปฏิเสธเทวะแบบนั้นแล้วท่านก็บอกว่าเทวะแบบนั้นนั่นคุณพูดแต่คุณคิดเอาเองแต่คิคุณไม่เคยไปที่นั่นมีคำตรัสอยู่ในพระธรบมดอกมีเลยว่าไปถึงไหมล่ะที่สุดแห่งที่สุดนั่นนะโลโลโลฮิตัส โลหิต huh, ัดพรามโลหิตัจะไปให้ถึงที่สุดแห่ง <may> ที <sans> ่สุด <ç> ที่ตรงนั้นน่ะที่สุดยอดนั่นน่ะจะไปให้ถึงไปไปแล้วก็ไม่ถึงไม่ถึงก็ไปถามพระพรหมไม่รู้พระพรหมองค์ไหนก็ไม่รู้ถามพระพรหมพระพรหมตอบไม่ได้ถามไปได้มาสามาสองสอบไปถามพระพรหมว่าไอ้ที่สุดแห่งที่สุดอยู่ที่ไหนพระพรหมพระพรหมว่าเรานี่เลยใหญ่ที่สุด ไม่ใช่ที่สุดแห่งที่สุดนะอยู่ตรงไหนพระพรหมเรานี่ยละใหญ่ที่สุดเรานี่ยละครอบงําจักรวาลเรานี่ยเราก็ผู้สร้างโลกใหญ่ที่สุดไม่ใช่ถามที่สุดแห่งที่สุดนะพระพรหมโรฮิตาถามพระพรหมพระพรหมว่าไปไหนมาสามวาสองสองอีกแหละตอบไม่ตรงคําถามอพอถามไหมว่บอกว่า ที่สุดแห่งที่สุดนะพระพรมบอกหน่อยอยู่ตรงไหนเรานี่ละใหญ่ที่สุดเรานี่แหละครอบงำโลกเรานี่แหละสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นเจ้าของเป็นผู้มีสิทธิ์หมดโรฮิตาก็สั่นหัวเลยบอกปัดโถไว้ถามไปในมาก็สามวาสองศอกม่อคนลมาตราเลยบอกไปหนมาไม่ได้ถามว่าไป ไปสามวาหรือไปสองศอกไปให้ไกลเท่าไหร่ไม่ได้ถามว่าไปไกลเท่าไหรถามว่าไปไหนมาระบุที่สิไปไหนมาแล้วไปตอบว่าสามวาไปตอบว่าสองศอกเอ้ามันคนเรื่องกับคนละมาตราเลยประคนละประเด็นพูดกันไม่รู้เรื่องโลริตา ก, ก็เลยไม่ให้เราจะไปถามใครต้องมาพบพระพุทธเจ้า อต้องเราไปหาพระุทธเถามถามปาฏองค์นี้เถอะไปถามพระพรหมก่อนแล้วพระพรหมก็ไม่รู้เรื่องตอบไม่ได้เลยนี่มีเรื่องมาอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าก็ต้องมาบอกว่าเธออย่าไปพูดถึงเรื่องอยู่ที่สุดอยู่ที่ไหนเลยกายาวานาคืบกว้างสอกพร้อมสัญญาและใจของเธอนี่แหละเธอหาที่สุดให้ได้นะตรงนี้ปฏิบัติไปให้ถึงที่สุดได้นะตรงนี้ลหกทิจก็ จึงต้องมาทดสอบปฏิบัติตามอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเขาถามกันอยู่เขาหากันอยู่แล้วพระรู้จ้าก็เลยบอกว่าทั้งหลายทั้งหลายเนี่ะเจ้าแห่งปราดขนาดไหนก็แล้วแต่ก็ต้องไปจี้ถามตรงพระพรหมแต่แท้พระพรหมยังไม่รู้เลยแล้วไม่รู้พระพรหมองไหนเขาก็ไม่รู้ก็จะไปพบพระพรหมกันนะเขาก็ไปเฝ้าพระพรหมกันนี่เขาก็ไปเฝ้าพระเจ้าใช่ไหมไปถวายข้าวอยู่เลยไปถวายข้าวพระพุทธเจ้ากันอยู่บ่อยๆนั่นแหละเขาก็ไปพบอย่างนั้นน่ะ ถามแล้วพระเจ้ารู้พระพุทธเจ้าองค์นั้ น, นตอบไม่ได้อย่างที่อาตมาพูดหรอกอไปถามดีไปถามปัญหาชัดๆเนี่ยไปในมาซาบสองสองอีกแหละตอบไม่ได้หรอกนะพระพุทธเจ้าก็เลยต้องประกาศว่าพวกนี้นี่ได้แต่ปากพูดของพระเจ้าแต่เขาไม่รู้จักพระเจ้าเขาไม่รู้จักที่สุดเขาไม่รู้จักพระเจ้าหรือความเป็นใหญ่ที่สุดแห่งวิญญาณพระเจ้านี่คือความเป็นใหญ่ที่สุดแห่งวิญญาณ หรือวิญญาณบริสุทธิ์ที่สุดเขาทําวิญญาณให้บริสุทธิ์ที่สุดไม่ได้คนพวกนี้มีแต่ปากพูดท่านจึงตั้งภาษาอุปทานคำหนึ่งว่าเขายึดได้แต่เพียงคำพูดเท่านั้นว่าพระเจ้าหรือว่าอัตตาก็จึงเรียกว่าอัตวาทุปปาทานอุปทานที่มีแต่วาทะว่าอัตตาหรืออาตมันหรือปรมาตมันหรือพระเจ้าจิตวิญญาณนั้นถ้าจิตวิญญาณแท้ก็คือจิตวิญญาณบริสุทธ ถ้าไม่แท้ก็คือจิตวิญญาณที่ยังเลอะเลอะรบกไปด้วยกิเลสวิญญาณเลอะเลอะรบกไปด้วยกิเลสเขาก็ยังไม่รู้เลยเขาไม่ได้เรียนจิตวิญญาณถึงขั้นไปรู้จิตวิญญาณเมื่ออย่างเรารู้ว่ากิเลสเป็นอย่างไรวิธีละลดตนเหตุคือกิเลสตัณหาอุปทานออกไปอย่างไรไม่เหมือนพุทธพุทธเรียนรู้วิธีละลดกิเลสตัณหาอุปทานออกจากจิตจริงๆจนกิเลสตัณหาอุปทานตายสนิทพิสูจน์ได้ว่าอนัตตาไม่มีตัวตนของกิเลสนั้นๆแล้ว เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงประกาศในท่ามกลางยุคนั้นเลยว่าพวกนี้ปากเปล่าได้แต่พูดปรมาตารยมธรว่ า, ร า, วาพระเจ้าว่าอัตตาพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้เพื่อที่จะยืนยันว่าคนพวกนั้นไม่มีของจริงมีแต่วาทะมีแต่ปากกล่ากันเขาไม่เคยพบจิตวิญญาณบริสุทธิ์เขาไม่เคยพบพระเจ้าที่แท้จริงพระพุทธเจ้ามาพิสูจน์พระเจ้าที่แท้ถึงคือจิตวิญญาณบริสุทธิ์ วิญญาณนั้นไม่ทำบาปทั้งปวงจิตวิญญาณนั้นทําแต่กุศลไม่ทําบาปทั้งปวงก็คือหรือว่ามีแต่กุศลก็คือหรืออีกในหนึ่งก็คือเป็นผู้สร้างเป็นผู้มีพระพระพุทธเป็นพระกรุณาเป็นผู้สร้างแล้วเป็นผู้ที่ประทานเป็นผู้ที่ให้สร้างแล้วท่านไม่เอาไว้เป็นของตนท่านหมดตัวหมดตนสร้างแล้วก็ให้ผู้อื่นไม่เอาไว้เป็นของตัวของตน และจิตวิญญาณนั้นบริสุทธิ์สะอาดจากกิเลสตัณหาอุปทานหมดเกลี้ยงาศาสนาพระเจ้าท่านท้าทายให้มาพิสูจน์เลยพอเราก็กําลังมาพิสูจน์อยู่นี่แต่ยังไม่จบสักทีพิสูจน์จิตวิญญาณให้บริสุทธิ์เป็นอารหารันจบบริบูรณ์ยังไม่ได้จบสักทีเท่านั้นเองแต่ก็ได้ไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆล้างไปเรื่อยๆสะอาดไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งต้องได้แน่นอน ถ้ามีคุณภาพแล้วพุทธเจ้ารับรองเลยได้ขนาดหนึ่งเกรดหนึ่งโซดาบันเกรดสองสกิทาคามีเกรดสามอนาคามีเกรดสีจบนรหันายากหน่อยนะแต่ทำไม่ได้ถ้าเราได้เราจะรู้ว่าของจริงใช่ไหมว่าของจริงเพราะฉะนั้นเมื่อ ได้รับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพระพุทธเจ้าท่านต้องต่อสู้หนักนักมากเลยบอกแล้วว่ายุคนั้นมันยุคปรามาตมันยุคเทวนิยมทั้งนั้นพระพุทธเจ้านี่ไม่แล้วท่านก็ต้องตรัสอีกท่านบอกว่าสัพเพธรรมะอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวตนรหน้าอย่ามานั่งพูดอัตตาเป็นนิรันต์อัตตาเที่ยงแท้อัตตายั่งยืนถาว น, นิรันต์อะไรไม่มีหรอกสัพเพธรรมะอนัตตาไม่มีตัวมีตนหรอก คำนี้ก็เป็นคำใช้เพื่อโต้แยง้งกับศาสนาที่เขามีนิรันด์มียั่งยืนมีตัวตนเที่ยงแท้มั่นคงไม่มีใครทำให้สลายได้ด้วยบอกว่าใช่ไม่มีตัวตนสุดยอดขนาดไหนแม้สังฆธรรมสิ่งที่เอามาปรุงแต่งในสักวันหนึรรน่งก็จะไปสู่ที่สุดเหมือนกันวัตถุธรรมพิสูจน์ได้เหมือนกันนามธรรมาก็เหมือนกัน ถ้าเรียนรู้ถูกทางและสามารถทำของตนเองนี่แหละจะสุดแต่ถ้าใครไม่เรียนรู้นะไม่สามารถทำของตนเองให้สิ้นสุดไม่มีสุดหรอกแม้คุณเป็นโสดาบันเกิดมาเป็นคนอีกร้อยปุด๊ดพันปุ0ดแสนปุด๊ดแต่คุณไม่ภาคเพียรปฏิบัติอีกให้กิเลสนั้นลดลงไปให้เป็นรอบของกิเลสลดลงไปลดลงไปอีกสมมุติว่าคุณเป็นโสดาะ ร, ระดับ สัตขะคตุประมาโซดาโสดาในระดับเกิดไม่อิจฉาช่าดังนันเถอะแปลเป็นภาษาว่าเกิดไม่กเกิจฉาช่าคุณก็ต้องเกิดมาแล้วคุณก็ต้องปฏิบัติให้เป็นชาติชาดของกิเลส น, นะรถลงไปเป็นเจ็ดรอบบางนันเถอะเจ็ดหน่วยงะเจ็ดหน่วยยูนิตเหมือนกับคุณไปบอกว่าอาระเนี่ยสอบได้แล้วปีหนึ่งคุณสอบรามได้แล้วปีหนึ่งปีหน้ามา คุณก็ไปลงทะเบียนอีกหมายความว่าคุณได้เกิดใช่ไหมคุณได้เป็นนิสิตเป็นนักศึกษาเป็นลงทะเบียนแต่คุณไม่ไปสอบคุณไม่ดูหนังสือเลยไม่ค้นขวายอะไรเลยไม่ไปสอบได้ไหมต่อให้อีกปีต่อไปคุณไปลงทะเบียนอีกและคุณก็ไม่ไปสอบคุณก็ไม่ดูหนังสือไม่ค้นขวายต่อให้อีก500ร้อปีคุณไปลงทะเบียนอีกแต่เขาไม่ไล่ออก <laughs> ถ้าเขาไม่ไล่ออกอีกห้าร้อยปีคุณไปลงทะเบียนอีกแล้วคุณก็ไม่สอบคุณก็ไม่ดูหนังสือเอียงเก่าคุณจะสอบได้หรือต่อให้คุณสอบเกรดหนึ่งคุณสอบได้ปีหนึ่งแล้วเรียบร้อยแล้วคุณก็อยู่อย่างนี้อคุณจะสําเร็จได้อย่างไงเพราะฉะนั้นถึงไม่ใช่แค่รูปแบบเท่านั้นเองก็ไม่ใช่แค่ไปลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยเป็นแล้วเกินใหม่เสร็จแล้วคุณก็ไม่ภาคเพียรไม่เรียนรู้อะไรเลยเนื้อแท้สาระคุณต้องเอาอันนั้นให้สำเร็จ แคดับอีกได้อีกเป็นรอบๆไปคุณถึงจะศูนย์คุณถึงจะจบใช่ไหมนี่มันซ้อนนี่มันซับซ้อนอยู่นี่อาตมาอธิบายซ้อนอันนีก้กลับไปอนัตตาใหม่อัตตาพระพุทธเจ้าสอนสเปธมาอนัตตาคําว่าอนัตตาโผลมาล้ไม่มีตัวตนหรอกาศาสนาอื่นเท่ากับสู้เอาอนัตตาไปสู้กับาศาสนาอื่นาศาสนาคุณอัตตาคุณปรมามตามันอาตามันนิรันดร์ด้วย ของพระศาสนาพุทธอนัตตาคนละความหมายเลยโกงก้ามกันเลยอัตตากับนัตตาเป็นคนละขั้วเอาคำว่าอนัตตาไปสู้กับศาสนาอื่นเสร็จแล้วชาวพุทธเองชาวพุทธเองตอนนี้อย่างศาสนาอื่นนะเป็นศาสนาที่มีพระเจ้าเขาเรียกว่าสัตสตตะทิฐิคือทิฐิเที่ยง แนวลึกแนวลึกนะฟังกดีทิตฐิของเขาเที่ยงว่ามีพระเจ้าแต่เขามีพระเจ้าไหมความจริงเขามีไหมเขาไม่รู้จักพระเจ้าจริงเขาไม่มีพระเจ้าจริงเลยเขาในมีแต่พร ะ, พระเจ้าฝันฝันเบืองเืองวๆๆๆ่างเพราะฉะนั้นในความไม่มีพระเจ้านี่จะใช้ภาษาไปเรียกว่าได้เรียกว่านิรัตตาแต่พระเจ้าทไมไใช้นิรัตตากับอ น, นุน ถ้าใช้แต่ว่าอัตวาทุ ป, ปาทานพวกนี้ขีมโม้มีพระเจ้าแต่เพียงปากปากพูดเท่านั้นพระเจ้าจริงๆไม่มีเขาไม่ได้เขายึดได้แต่แค่นั้นยึดได้แต่แค่ปากพูดนัปุจาะก็สู้ได้อันนั้นเท่านั้นเองท่านไม่ได้เอาเนื้อตาไปสู้ทางโน้นหรอกทน้นสัสตตตถิธิแต่โดยจริงแล้วเขาก็ไม่มีพระเจ้าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้สัมผัสพระเจ้าเขาไม่ได้เนื้อ ตัวเรามีจิตวิญญาณถ้าเราทําจิตวิญญาณของเราสะอาดบริสุทธิ์เป็นเป็นเป็นวิญญาณที่อย่างที่อาตมาพาทําเป็นวิญญาณที่ขยันมันเพียรวิญญาณสร้างสรรค์ไม่ทําบาปทําแต่กุศ ล, ลกรรมยังกุศลกรรมไม่ถึงพร้อมบาปใดๆไม่ทําและจิตวิญญาณของเราเองเราก็รู้แล้วว่าเราปราศจากกิเลสตัณหาอุปทานอย่างสนิทเราเป็นอรหันต์แล้วคุณก็จะรู้ว่าจิตวิญญาณนี้มีอยู่ที่เรา แต่จิตวิ ญ, ญาณนี้คุณเจ้จะรู้ว่าแม้มีที่เราก็ไม่ใช่ตัวเราของเราที่จะยึดไว้นิรันดร อ, อะไรถ้าเราวางเราปล่อยดับภพบจบชาติตายลงไปอาศัยคูหาเสยียงแท่งนี้อยู่เท่านั้นเองแต่ถ้าคุณบอกว่าไม่เอาแล้วไม่มารวมตัวสร้างคูหาเสยียงอีกนี่แล้วไม่มีภพมีชาติแล้วคุณมีสิทธิ์เป็นพระอรหันแล้วมีสิทธิ์ดับภพบจบชาติ วิญญาณไม่ใช่ตัวตนจริงๆเชื่อไม่ไม่เชื่อแต่คุณต้องจะเชื่อต่อเมื่อคุณปฏิบัติตนให้เป็นอราหันต์ให้ได้แล้วกัน <c oughs> <c oughs> หรือหรือยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ตามคุณพิสูจน์ที่พิสูจน์เดี๋ยวเนี้ผู้หญิงติ ด, ตดลิปสติก ค, คุณล้างเป็นตัวกูเม่มันอร่อยแล้วกิปสติกเป็นรสชาติเป็นตัวเราจริงๆจนคุณเองคุณ ปฏิบัติล้างกิเลสนั้นออกไปหมดแล้วอุปทานนั้นหมดแล้วเอยมันไปสวยตามยึดเองมันไม่สวยเสริมมันไม่อร่อยมันไม่อะไรหรอกจนคุณไม่มีอัดสาทำไม่มีรสอร่อยในลิปสติกเลยคุณก็จะรู้คุณเองว่าอ๋อเราอนัตตาเราศูญแล้วในเรื่องของลิปสติกศูนย์แน่นแศูนย์จริงๆคุณจะรู้จะแจ้งปัจจตังเวทิตโปวินยูหิ คุณจะเห็นเองว่ามันหมดทุขและคุณก็ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขคุณไม่มีผลักไม่มีดูดคนอื่นเขาจะมีลิปสติกเรื่องของเขาเขาจะทาของเขาสีธงชาติเขาเรื่องของเขาเดี๋ยวนี้ทาลิปสติกสีดำเนี่ยจะพะโอ้โหมันอะไรกันนะักกันหนาทาสีปากดำเนี่ยเออมันสวยตรงไหนเว้ยเนาะแล้วเขาสมมุติกันสวยองสวยกัคงสวยตายแล้นะเนาะเขาสวยกันปากดำ <c oughs> เขาสมมติกันนี่ ปากเขียวอย่างนี้เป็นต้นก็คามันเข้าไปแล้วแต่ก็มันพิจารณาไปเรื่อยๆนวิฐานไปเรื่อยๆอยของเขาก็ทําไปเอาเธออันนั้นก็คือการทําด้วยรูปแต่รถทางใจใจมันชอบใจมันสุขใจมันมีอารมณ์ใจมันมีอาการชอบสุขอร่อยธรรมดาของาศาสนาพุทธนี้นีอนัตตานี้ไม่มีตัวตนหรือหมดกิเลสหรื อ, รอนิพพานนี้มันไม่ทั้งสุขมันไม่ทั้งทุกนนุเบขาเพราะฉะนั้นเราไม่ผลักเราไม่ดูสําหรับเรา แม้ใครจะเอาฤติเต็มมาป้ายทาเข้าไปที่ปากเราเราก็ไม่ทุกข์อะไรเราก็อจําจเป็นจํานนตแต่ถ้าไม่จําเป็นไม่รู้จะมาทาให้มันเปื้อนทําไมใช่ไหมไม่ทาไม่เปื้อนซะ ก, ก็ดีกว่าแต่ถ้าจําเป็นเราก็ไม่ทุกข์เห็นไหมความไม่ทุกข์จำเป็นก็มาทาปากเราเอา้าก็ทาหรือจะให้เราทาเองวะคุณต้องทาเองนะคุณไปทาเองไ ป, เ, งไปเจอไปเจ อ, ไปเจอคนนี้ไม่ได้อะไรอย่างจำเป็นเอา้าก็ทาก็ทาแต่แหมมันก็โยกแยแยอย่างเงี้นนะ่ะ แล้วมันก็ไม่ได้สุกได้อะไรแล้วหรือเราวางได้เยอะแยะเลื่องอะไรก็วางได้มันก็เคยทามันอย่างนี้เราก็ไปถือสาก็ไปเสร็จแล้วเราก็เอาออกเราก็ไปเสียดายแม่มีเราก็ไม่ไม่ไม่เกิดดโดนร้อนดินโดนอะไรนี่คือกลางวางใจวางนี่อธิบายให้ผู้หญิงเห็นผู้หญิงเยอะกับผู้ชายส่วนผู้ชายก็ติดบุหรีอย่างนี้เป็นต้นแมบุรีนี่มันอร่อยมันเราแบมาล้างกิเลสจนหมดกิเลสแล้ว สุดท้ายเออบุรีก็บุรีใครจะบุรีเอาอย่างดีขนาดไหนมาพ่นใส่ยังไงไงก็แล้วก็เฉยมาบางังคับไม่เราสูบก็สูบได้ดีไม่ดีอาจจะทนได้ด้วยยังอาตมาเนี่ยมันทนไม่ค่อยเก่งบุรีนี่หัดสูบแทบตายมันฉุนนะยิ่งเอาเล่นแบบยาเส้นอย่างฉุนโอ้โหมันถึงสมองเลยนะมันแสบเลยนะตั้งแ ต, งตง่ไม่พยายามให้มันเข้าไปเนะี่ย ตรงไหนแล้วนะยิ่งจะยิ่งโอ้โหตายแน่เลยแสบสัมลักตายเจ็บแสบแส บ, แสบจริงจริงบุรีเนี่ยเอาเถอะผู้ชายอาตมาก็นีพยายามอธิบายให้มันละเอียดให้มันละเอียดนะคุณไปอ่านตัวเองสิเราเมื่อเราฝึกจนกระทั่งไม่มีรถอัาธาแล้วศูนย์ไม่มีเลยนี่แหละคืออนัตตายังไม่ถึงขั้นอรหันต์สุดยอดหรอกแต่อรหันแค่บุรีก็ก่อนที่ อรหันแค่ดิบสติก่อนดิอรหันแค่เพชรพลอยนี่เป็นโอราลิกะอาตานะเพชรพลอยนี่เป็นวัตถุดินน้ำลมไฟมันของกูเหลือเกินนักเข้าก็ไม่ต้องไปยึดติดแบบรู้ตัวของกูอะไรตัวกู อ, อะไรเพชรทังหมดของเราแท้ๆก็ตามมันสูญหายไปก็ไม่เจ็บปวดไม่ทุกข์ถ้ามันจะสูญหายเพื่อสมมุติว่ามันสูญหายมันอะไรก็ตามหรือจะให้ใครไปก็ไม่เสียดายได้ถ้าสมควรจะให้ก็ให้ไป เราอยู่ได้ไม่ต้องมีเพชรนี่ก็ได้คุณก็จะรู้เลยว่าเราไม่ติดไม่ยึดมันไม่อยู่ไม่มีไม่เป็นก็ได้มีอาจจะมีเพชรเม็ดนี้ไว้ถือก็ไม่เป็นไรแต่มันก็เป็นภาระนะถ้ามาให้อัตมาอัตมา ก, ก็เอาไปแปร ى, เป็นแบงค์ธนบัตรแล้วรีบแปลธนบัตรเป็นประโยชน์อะไรไปเลยเพราะต้องใช้ธนบัตรแปลรีบแป ร, ى, ร, แปรเลยลเอะเพชรมาให้จะรีบแปรเลยทองคาก็ตาม พ่อทองคําไปถือดๆๆูดเดไปแลกเปลี่ยนมนรู้จะเรียกแลาคากันยังไงถ้าเป็นแปรเป็นธนบัตรมันมีตัวเลขอะไรเลยได้เอาไปทําก้อนนี้ขายได้พันบาทหมื่นบาทอะไรก็เอามาก่อนเอามื่นบาทมาทํางานได้อย่างนี้เป็นต้น <S <S ไม่เอาไว้ทองคําทําไม่จําเป็นอ่าถบอกว่ า, วาจาต้องต้องเอาทองคำมาหุ้มเใจดีก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึงซื้อมาเอามาใช้ถ้าไม่จําเป็นก็เลิกไปเอามาไว้กําลังแต่จะลําบากรักษาเดี๋ยวใครไม่รู้ว่าเรามีทองคํา แม่มีอยู่ที่ฟันนี่ไรซี่อย่างเง้ย น, นะเดี๋ยวมันมาปล้นมันไม่ได้อยากตีตายหรอกมันไม่อยากฆ่าเรามันจะเอาทองคําโอ้สวยตายเลยอัตมามีทองคําเข้าไปหน่อยดังเขาอุดอุดฟันใช้ทองคําเนี่ยแมนะ่ทองคําก็ทองคํามีอยู่เท่านี้มันไม่กี่บาทหรอกถ้าจะมาฆ่าเราเอาเท่านี้ไม่คุ้มหรอกนะไปฆ่าคนอื่นที่กานะคนเขามีเยอะกันแล้ว <laughs> นี่ก็ไปเล่นเล่นไปเยอะแล้วนะ เอาละก็คงเข้าใจแล้วนะอนัตตามันมีได้พิสูจน์ด้วยอย่างย่อๆอย่างเล็กๆก็มีได้เมื่อคุณรู้อนัตตานั้นสภาพนั้นแหละถึงจะรู้จักจิตบริสุทธิ์ทีนี้ถ้าเข้าใจอย่างตัวอย่างอย่างนี้แล้วหมดทุกกิเลสเลยเป็นอรหันต์ก็คือศูนย์อย่างนี้แหละไม่สุขไม่ทุกข์และเป็นจิตบริสุทธิ์สะอาดจริงๆเลยคุณจึงจะรู้เราวว่าโอ้จิตเป็นพระอรหันต์แล้วสมบูรณ์เนี่ยโอ้มันไม่ไม่ใช่ตัวตนจริงๆเลย ปรมาตมันี่ไม่มีมีแต่หายถ้าเราไม่เอาจิตไปยึดสมาทานหรืออาทานไว้ว่าเราจะต่อพบต่อไปอย่างพระโพธิษัต์นี่ท่านจะต่อพบท่านก็ตั้งจิตต่อยังไม่วางยังขออยู่ท่านก็ต่อพบไปได้ไปได้ก็เราไม่วางก็ได้มีสิทธิ์จะเกิดหรือจะตายมันเรื่องของเราพระพุทธเจ้าที่ได้ตัดไวใน ย่ามักกระสูตรว่าพระพิณาศบตายทางร่างกายอย่าไปว่าท่านจะเกิดอีกไม่เกิดอีกอย่าไปวุ่นกับท่านเพราะท่านกําหนดของท่านเองอมตะของท่านเป็นอมตะบุคคลแล้วจะเกิดจะตายเป็นเรื่องของท่านอย่าไปยุ่งอย่าไปกล่าวว่าท่านตายแล้วต้องสูญไม่ได้พระอรหันต์ตายแล้วต้องสูญต้องพินาต้องไม่เกิดอีกใครกล่าวอย่างนี้พระพุทธเจ้าถึงตัดว่ากล่าวไม่ถูกเพราะญาติท่าจะเกิดอีกก็เรื่องของท่านแต่ ท่านตายแนย่ถ้าไม่เกิดอีกแน่ในกิเลสที่ท่านได้ดับแล้วเป็นสิ่งที่ถาวรเที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นอื่นตัฐตาอนิจัตาอวิฏฐตาอนัญญาต า, นน า, ต า, น า, ตาแน่นอนแล้วเนี่ยอันนี้ไม่เกิดอีกจริงๆมันไม่ได้ไปยอนแยงหรือว่ามันไม่ได้ไปเล่นลิ้นคารมกลับไปกลับมากลับกลอกที่ไหนสิ่งที่ไม่เกิดอีกจริงๆนั่นคืออะไรต้องให้แม่นประเด็น กิเลสท่านหาอุปทานของท่านตัดสิ้นตัดขาดสนิทแล้วไม่เกิดอีกจริงๆแล้วของพระอรหันต์แม้ในเป็นๆนี้ตายไปอีกแล้วไปเกิดอีกใหม่อีกในร่างกายนะท่านต่อพบอีกจิตวิญญาณอันนี้ก็เป็นจิตวิญญาณของท่านที่ท่านได้ตัดกิเลสแล้วท่านก็ไม่มีอีกไม่เกิดอีกเหมือนกันเป็นแล้วเป็นเลยไม่เกิดแต่ร่างกายเกิดอย่าไปกล่าวถึงกายยัตสสะเพทากายแตกตาย อาจจะเกิดไม่เกิดจะไปเกี่ยวเกี่ยวแค่สิ่งที่เป็นปรมัดนั้นให้ชัดอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็แย้งกันอยู่ทางเทรวาส์นี่แย้งอาตมาว่าอาตมาว่าแม้อาตมาก็พูดซะด้วยนะว่าอารหันต์ตายแล้วเกิดอีกได้เขาก็จะเอาตายอยู่นี่มาหาว่าไปถานรากถอนโคนศาสนาเขาอีกนะดีที่ว่ามียมกสูตรช่วยอาตมาไว้ในเทรวาสเองอาตม า, าไม่ได้เขียนเองนะ ถ้าไม่มีอันนี้อตมาคงหน่าดูเลยหนักเหมือนธรรมกายแน่ๆเลยของขาว่าเนี่ยนิพานเป็นอัตตาเนี่เจอคดีเดียวกันเลยนะในนี้่ยยังดีว่ายังมีอันนี้ช่วยไว้ทันะอะอะอะไรบรรุษเองไม่มีสิทธิ ก, ก็มันมีเขาเอาหลักฐานนี่ถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันไว้เขาก็จะเล่นงานแต่นี้ดีที่ว่ามีหลักฐานเล่นไว้บอกไว้ว่าอย่าไปกล่าวว่าพระคินาสน์ก็คินาสน์พระอรหันต์อย่างเดียวไม่ใช่โสดาสกิทานะคะตายแล้วไม่เกิดอีกจะไปพูดตายแล้วไม่เกิดอีกไม่ได้ไปพูดเรื่องนี้ไม่ได้ ไ, ด ไ, ม ไ, ดไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นจึงอย่าไปคิดอย่าไปนึกว่าพระอรหันต์ท่านตายแล้วไม่เกิดอีกนะทีนี้ แม่อัตมาจะอธิบายนิรตาแถมไม่ฟังอีกสําหรับผู้ที่ไม่ได้มาผู้ไ ด, ด้มาก็ฟังซ้ําแม้คุณฟังซ้ำอีกนี่โอ้โหที่นวลน่ะพูดซ้ําตั้งหลายครั้งหลายคราวงานปลุกเสกปีนี้มาอธิบายจริงๆพวกคุณลองอธิบายที่เราตั้งหลักดีๆจะไหวไหมมันไม่ง่ายนะมันไม่ง่ายคุณต้องมีพลความคุณต้องมีหลักฐานคุณต้องมีอะไรต่อะไรที่จะมายืนยันอธิบายงงนี้ใช่ไหมถ้าไม่มีสภาว่วาเนี่เมาอธิบายไปไปไหนแล้วว้ เมามันไม่ได้หรอกตามพยัญชนะเฉยเฉยไม่ง่ายต้องมีสภาวะจริงนะคุณจะไปได้จังงั้นยังไงคุณก็กลับมาหาสภาวะแล้วคุณก็พูดไปได้เรื่อยๆรื่จะพูดไอโน้ตอันนี้ไปทีไปโน้แล้วกลับมานีอีกอีทีก็จะมาที่สภาวะมันก็ไปได้แต่ถ้าคุณพูดแต่พยัญชนะนะถ้าพยัญชนะไปที่โน้แล้วมันเฮ้ยมันเมาแล้วตอนนี้คุณกลับมาที่นี่ไม่ถูกแล้วเพราะไม่มีสภาวะคุณไปใหญ่เลยทีนี้คุณเลอะเลยทีนี้ไปใหญ่เลยพยัญชนะนี่มันจะไปกันใหญ่นะ เพราะงั้นพวกชาวพุทธเองนี่แหละพอพระพุทธเจ้าตรัสว่าสเป ธ, ธมาอนัตตานี่มีอยู่เยอะเลยนในประเทศไทยก็มีไปเข้าใจผิดอีกกลายเป็นนิรัตตาตัวจริงไม่ใช่อนัตตาอนัตตก็แปลว่าไม่มีตัวตนนิรัตตาก็แปลว่าไม่มีตัวตนนิระอัตาา ต, ต, ตาเนี่ยอัตตานิระก็ไม่มีก็คงรู้แล้วคําว่านิระหรือคำว่านิวันะเนี่ยแปลว่าไ ม, ไม่ไม่มีตัวตนเหมือนกัน อนะก็ไม่มีอนาตาก็คืออนะบวกอัตตานิรัตตาก็คือนิระบวกอัตตาไม่พยัญชนะโดยพยัญชนะแปลว่าไม่มีตัวตนเหมือนกันแต่ใช้ต่างกันพระพุทธเจ้าจะใช้ต่างกันชาวพุทธเองนี่พอไปเรียนว่าสัพเพธมานาตตาก็เลยมาโอ้ถ้งนั้นอนาตาก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรอย่างที่อาตมาพูดตอนต้นไม่ต้องลองเนี่ยเดี๋ยวมันก็พังไปหมดแล้วไม่ต้องไปทําอะไรมันรองเราก็เหมือนกันเพราะงั้นกิเลสเราก็เหมือนกันมันก็ต้องอนาตตา ไม่ต้องไปทําอะไรมันมาเด้งมันกนัตตาจ้างมันก็มันเป็นนัตตาเองอะแต่คนที่เข้าใจว่าไปเชื่อว่าจะอนัตตานี่แหละแล้วไม่ปฏิบัติแล้วไม่เรียนเข้าไปรู้อัตตาแล้วหาทางปฏิบัติให้เสื่อมคลายให้อันตตาให้ได้ขนาดคุณรู้แล้วอัตตาในกิเลสพวกนี้นี่มันมีมันมีตัวตนใช่ไหมจับตัวตนกิเลสได้แล้วคุณทําแทบตายกันยังยากเลยแล้วคนที่เขาบอกว่าเขาไม่อ่ะมีหวังไหม บอกไม่พอต้องปฏิบัติหลองทุกอย่างอนัตตานี่ก็พระพุทธเจ้าตรัสว่างั้นน่ะนี่ทั้งนตอนที่พระพุทธเจ้านั้นท่านใช้ตรัสตอนนั้นน่ะท่านใช้พูดต่อสู้กับทางอีกฝั่งหนึ่ง ท, ที่จริงแล้วท่านก็ตรัสให้พวกเราฟังด้วยท่านตรัสให้เราฟังว่าเมื่อจบสมบูรณ์แล้วจะเป็นนี้นี่ท่านตรัสความจบสมบูรณ์ของคนหมดอัตตาแล้วก็คืออนัตตาอย่างนี้แต่คุณก็ต้องปฏิบททัติตนจนกระทั่งเป็นตรงนี้มันจึงจะเป็นอย่างนี้แต่เข้าใจผิดเข้าใจว่า อ้ดังนั้นทุกอย่าง อ, งอ น, อนอันตาหมดอย่างที่อตาตมายกตัวอย่างอาจารย์เซนนั่นแหละสูบุดรีปุ๋ยปุ๋ยกินเหล้าหน้าแดงไม่รู้เขากินเหล้าหรือกินเบียร์อตาตมาไม่รู้แต่หน้ากรรมกรรมมาเข้ามาหาแต่ว่าตั้งแต่ก่อนอยู่ตรงนี้สาราหลังเก่าอยู่เข้ามาพบคุยมาคุยเรื่องเซนโอ้ยจิตว่างไม่มีตัวตนโนโู่นโนี่คุยสูงทั้งนั้นเลยจิตว่างพวกเซนคุยเก่งบัญญัติถูกหมด อาตมาเขจนเมื่อยฟังจนเมื่อยเสร็จแล้วอาตมาก็บอกอ่าจงลงคุณกลับไปปฏิบัติของคุณไปล้างอัตตาของคุณออกซะก่อนนะคุณสุบุรีติดอยู่เนี่ยก็ดีหรือคุณจะกินเหล้ากินเบียร์อยู่อะไรก็ดีคุณติดอยู่นั่นนะไปล้างซะแ ล, ะล้วก็ไปออกอนาตตาไปให้หมดให้ไปจิตว่างออกไปให้ได้ซะก่อนไปปฏิบัติซะก่อนเถอะไปปฏิบัติ ล, ล้างอัตตาเมื่ออาจารย์เซ็นยือดอกเลย ในเมื่อตัวตนก็ไม่ใช่เราตัวไม่ใช่เราตนไม่ใช่เราไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีตัวตนและจะให้เอาอะไรไปปฏิบัติ น, น <ś itation> ไม่มีตัวตนแล้วจะให้เอาอะไรไปปฏิบัติอาตมาโอ้โหเจ๋งจริงๆรนะเจ๋งจริงจรกลับได้คุณก็กลับสักก็แล้วกันคน <c oughs> ความคิดคนละทางแล้วคุณก็เชือถือถถถถของคุณเชื่อของคุณอาตมาก็ไม่เชือ่อเขาอย่างคุณแล้ว คุณก็คงไม่ปฏิบตัติแล้วก็คุณเล่นมคุณเล่นไม่มีตัวตนแล้วอย่างนี้แหละคือนิรัตาตาปฏิเสธอัตตานี่แหละคือนิรัตตาตอนนี้น like, เถียงกันอยู่โครนโคลนีนพวกนิรัตตาทั้งหลายส่วนมากในะพวกพวกมาใสแว่นเถียงกันใหญ่เลยเนี่ยเ อ, อย้ยหญ้าเขียวหญ้าเหลืองนี่เถียงกันใหญ่เลยเนี่ยพวกมาใสแว่นทั้งนั้นเลยนี่ยเถียงกันใหญ่เลยเนี่ย ต่างคนต่างยังมีอะไรบางตายังมีอะไรบางตายังไม่ได้ยังมีทุลีในดวงตามากไม่ใช่ดูทุลีดวงตาน้อยเลยนะยังไม่รู้เรื่องจริงยังไม่รู้จักอัตตาจอัตฏาเองก็ยังไม่เป็นลดละก็ยังไม่เคยและไปเข้าใจผิดว่าไม่ต้องลดละเพมัะถ้าเผื่อว่ามันไม่มีอัตตาพระพุทธเจ้าจะต้องมาตรัสอัตตานี่ทำไมถ้าปฏิเสธว่าสเพธมาอนาตามัต้องปฏิบัติอะไรใครทำความเข้าใจนี้ได้แล้วสดเสร็จ กูก็ไม่ต้องมารู้ว่าอรริยอัตตามันอะไรมนโนมยะอาตาอะไรอรูปอัตาอะไรคุยก็จะต้องมาเรียนมารู้ทําไมเนี่ยอัตมาอธิบายบอกคุณฟังว่าอ๋อเข้าใจอราริยกัตตามันอย่างนี้อรูปอัตาอย่างนี้พราะเรามนโนมยะาตาไม่ค่ยมีอ่ะไม่เหมือนสายธรรมกายหรือสายสายอาจารย์มั่นก็เยอะสายหรือสิลิงดํานี่ยิ่งเยอะน่ะปั่นใหญ่เลยไปวิมานอะไรของท่านเยอะมนโนมยัตตาท่านเยอะ เราพกเรานี้โอราดิกาตายังมียังหวงยังแหนยังยึดเราของเราอยู่พระสมควรโดยเฉพาะอารูปอัตตาเนี่ยโอ้อัตมาจะอายุไม่ยืนเพราะพวกอะรูปอัตตาเนี่ยเข้ามาอยู่ในวัดแล้วกันเยอะเลยนะทิ้งโอราดิกะมาแล้วนะทิ้งบ้านช่องเรือนชานนะพวกฆาตขัขนธาปหายะทิ้งยาติปริวัตตังปะหายะมา ล, ะลูกเรา เมียเราผัวเราอะไรก็ทิ้งมาจนจะตามมาฆ่าแตมาอยู่แล้วทิ้งมาได้นะใจทิ้งมาได้จริงๆอนะแต่มาอารูปรอัตตาในนี้กันที่แตโหตั้งป้อมกันคนละมากพระุทธเจ้าจะใช้คำว่าปากขอกสัดกระนาวอยู่ในเนี้ย<ฮ>ไม่เป็นสุขและมันก็ไม่มีพลังไม่เจริญ ตอนนี้ละเราเรียนมาขนาดนี้ละใครแหลมมาทีนี้นะจะจี้ให้นี่อารูปอัตตานอารูปอัตตาไปตรวจสอบตัวเองลดละซามาซัดกันอยู่ใดไม่รู้จักอะไรแล้วจะไปนิพพานหรือเปล่าถ้าจะไปแล้วอย่ามันนั่งยึดอยู่เนี่ยแต่พวกเรานี่ได้รับการศึกษาแล้วนะถ้ า, าจตมาไปบอกว่านี่เน่ยกำลังทะเลาะกํากลังเรื่องนั้นเรื่องนีน้จะไปช่วยเคลียร์ให้เนี่ย อพอถัดไปไป ไ, ป ไ, ปไปอยากจะจ ะ, จะทะเลาะกันนี่อาตมาก็จะโยนระเบิดใส่ให้เหมือนกันน่อะไรมาทําอยู่ที่นี่ไม่เอานะ <c oughs> นะเราเจ้าต้องรู้เนี่ยอาตมาพูดพวกนี้ขึ้นมาแล้วเราฟังแล้วฟังธรรมะแล้วเราก็จะเข้าใจว่าอ๋ออย่างนี้เองความเจริญไม่เจริญมันเป็นอย่างนี้เองนะอ้าวละอาตมาได้เคลียร์แถมอีกตอนทาจนได้นิดนิดหน่อย